สิวะมะนุสก a รีปัจจุปัฏฐานสวัสดีญาวะติวัตนะนะมะลังะตปิฏฐะิยะนิยตโตกามารานัตตาติโตเกอุปัฏฐานสีเอวัโกภิกะภิกขิเตปิการุปัสติภาราติ จิตป่าเถระโตตาก็รู้จักว่จิตปาเถะโตจิตทโมหาก็รู้จว่าจิตมีโมหาจิตปาเะ ติดหลุคพ้รู้จักว่าติดหลุคพนติดยัไม่หลุพ้นก็รู้จักว่าติดยัไม่หลุคพนเห็นธรรมะแบบนี้ทิฏฐิต้องพิจาราเห็นจิตในจิตภาไในบ้านเห็นจิตในจิตภายนอกบ้านเห็นจิตในจิตดงดายในดำดายนอกบ้านเห็นดำคือความเกิดขึ้นในจิตว่า เห็นกรรมคือความเดือร้อนติดฟันเห็นกรรมคือการทำเเือ ขอมัวธนาเนะี่ในการศึกษาในการสาธยายพระธรรมของพระครูมีพระเจ้าในเรื่องการศึกษาในเรื่องของจิตตานุปัสนานก็ก็มาได้มากเลยก็คงจะต้องพบทวนนิดหนึ่งจากครั้งที่แล้วเนะี่ยในครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของ โทรพาแล้วก็โทรสะที่พูดถึงบอกว่า <Tuesday> จ <ande Aww. S 2> ิตที reader? ่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะแต่ได้พูดถึงว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีราคะเนี่ยชนิดส่วนจิตที่ปราะจากราคะนั้นยังไม่ได้พูดยังไม่ได้สาระใยญ่นี่กำพูดในเรื่องของจิตมีโทรสะ ก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโทสะครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของสภาวะของลักษณะของโทสะเนี่ยที่บอกว่าโทสะภูริจเนี่ยจะภาพของโทสะที่บอกว่ามีสภาวะลักษณะสองประการนะคือโทมนณสเวท น, นากับปฏติฆา แล้วก็อธิบายประกอบกันบอกว่าในตัวปฏิฆาคือโทสะเนี่ยอันนั้นเป็นสังขารขัรธส่วนโทมนักอันนี้เป็นเวทนาสันใช่ไหมที่พูดถึงว่าว่าใ้คำว่าปฏิฆาคือความโกรธใ้ความโกรธในที่นั้นได้แก่โทสะเจตสิก ท่นเรียกว่าปฏิฆะที่แปลว่าเป็นสภาวะที่กระทบกระทั่งเนี่ยทีนี้โทสะเนี่ยที่บอกมีความดุร้ายเป็นสภาพเนี่ยการกระทบกระทั่งของโทสะนั้นเนี่ยมีกี่ประการนะมีสามประการใช่มหนึ่งกระทบกระทั่งสัมยุจจรทำก็หมายความว่าทําให้สัมยุจ ธ, ธรทำที่เกิดทุกข์กันกับตนนั้นเศ้ามองแล้วก็เล่าร้อ น, นั้นประการหนึ่ง อาการที่สองก็คือกระทบกระแท้งที่ตั้งล่าวคือคาท ย, วทยาวัตถุใช่ไหมหรือเผาผานที่ตั้งเนี่ยก็บอกว่าโทรสะถ้าเขากระทบกระแท้งที่ตั้งเนี่ยเวลาคนโกรธขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าปวดหัวใจ <c oughs> นี่เรียกว่ากระทบกระแท้งที่ตั้งแล้วก็นในขณะเดียวกันก็คือทําให้สีหน้า ผิวหน้าของคนที่โกรธนั่นดูแล้วไม่งามฉะนั้นถ้ายิ่งถ้ายิ่งไม่งามแล้วเนี่ยบวกใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้ก็ไปท่องเอาไว้บวกวขนาดเราไม่โกรธก็ไม่งามอยู่แล้วสมมติถ้าโกรธก็อย่างเดียวไม่งามเนี่ยก็อันนี้ก็ไปเอาเอาไปท่องเตือนใจเยอะยิเป็นอย่างนั้นเนี่ยสภาพของโทรศัพท์มันจะเข้ากระทางกีิดตั้ง อาการที่สามคือกระทบกระทั่งอารมณ์ของตนเนี่ยก็หมายความบอกว่าคือเขามีการหักใสปทุสร้ายไม่ต้องการต่ออารมณ์คือถอยกลับต่ออารมอันนี้เขาเรียกกระทบกระทั่งอารมณ์ก็แปลว่าถ้าอา น, นิษฐารมนี่นะอา น, นิษฐารมในความรู้สึกของท่านคูนน้นั้นนะี่นะก็หมายความว่าเวลาโทรสะรหรือปฏิคะ มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีอ น, นิจารมณนั่นแหละเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีนะแต่ถ้าโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คือไม่ดีเลยในความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไงเขาก็มีการเบือนหน้าเบือนหน้าหนีจากอารมณ์นั้นนี่ปาริคานี่พูดในเรื่องของตัวสังขารละขันเขาเป็นสังขารละขัน ส่วนคำว่าโทมานัสเนี่ยโทมนัตฐานัตกิตเนี่ยเป็นชื่อของโทมานัสเวทนาอันนี้เป็นเวธนาขันในโทสามูลกิตเนี่ยเขามีมูลอยู่เท่าไหร่มีมูลเท่าไหร่มีมูลสองใช่ไหมมีโมหามูลกับโทสามูลแต่เวลาตั้งชื่อก็เรียกว่าโทสามูลกิตใช่หม เรียกมูลเดียวคือโทสะนั้นมาเป็นมูลพิเศษจึงเรียกโทสะมูลแลจิตไม่เรียกโมหะมูลจิตทั้งๆที่มีโมหะเป็นมูลด้วยนะแต่ไม่เรียกเพราในที่นี้โทสะเขามาเป็นมูลพิเศษอยู่แล้วตรงนี้ก็คือว่าถ้าถามว่าปฏิฆาเนี่ยปฏิฆากับคําว่าโทมนั์เนี่ย ไอปฏิฆาตทรมนานัเนี่ยเขาต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าตัวปฏิกฆาตเขาเป็นสังขารละขันส่วนตัวทรมนานัทนี่เป็นเวทนาขันทีนี้ปฏิฆาตนี่เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้หรือเป็นธรรมที่วรละ <c oughs> เป็นธรรมที่ควลนนรวละนะส่วนทรมานัทเวทนาเนี่ยละควรละหรือควรกําหนดรู้ จะเริ่มยากเลยหมดแล้วโทมนัสตทเวทานาเนี่ยเป็นกิเลสไหมตัวเวทานานี่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นเขาไม่ได้เป็นกิเลสนะก็เป็นธรรมที่เกิดร่วมกันกับกิเลสนะที่เขาเป็นโทมนัตโทเวทานาเนี่ยเพราะใครกระท้อกระทั่งเขาเพราะไอ้ตัวปฏิฆาชโทสระนี่แหละกระท้อกระทั่งเขาทำให้เขาต้องเศ้าหมองและเร่าร้อนไปด้วย ใจจะมยเป็นนี้นะดังนั้นตัวโทมานัสเวทนานี่เขาไม่ได้เป็นกิเลสนะแต่เขาเป็นโทมนัสคือเป็นความไม่สบายทางทางใจในเป็นเวทนาที่เสวยความทุกข์ทางใจนะนานาจนะแต่ว่าตัวเขาไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นราคา้าตัวสักมูมหมแต่ถ้าบอกว่าโทมน า, นานัสเวทนาเนี่ยเนียเขาเป็นเวทนาขัน แต่ไออธิฆาเนี่ยโทสะเจตสิกนี่ก็เป็นสังขารแล้วครับแต่ในบทที่เราเรียนกันว่าจิตที่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเนี่ยในที่นี้เขาเน้นจิตเน้นจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นประธานของเจตสิกแต่เวลาอธิบายลงไปเนี่ยต้องอธิบายถึงเจตสิกด้วยใช่ไหมเวลาจะกําหนดจริงๆเนี่ย ไม่ใช่รู้แค่จิตเหมือนที่บอกว่าที่พูดครั้งต่อนเมื่อสักครู่ที่คุณโยมมาถามที่บอกว่าเออคิดแบบวิญญาณคิดคิดแบบวิตกคิดแล้วก็คิดแบบปัญญาคิดเนี่ยออถ้าหากว่าคิดแบบวิตกคิดมันมีสองแบบถ้านเอาตามพระสูตรต่างๆเช่นในเทวท า, า, าวิตรัสสูตรเป็นต้นเนี่ย ท่านจะแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมเป็นวิตกที่เป็นกลามว่าวิตกอภยาบาบวิตกและอวิหิงสาววิตกในส่วนหนึ่งถ้าวิตกลักษณะนี้ท่านข้ามคิด <c oughs> คือถ้าคิดไปแล้วน่ยมันจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออภิษณใช่ไหมแต่ถ้าหากเป็นเนคขม่าวิตกอภิยาบบวิตกและเอาหญิงสาววิตกอย่างนี้ท่านสนับสนุนให้คิดคิดไปเถอะถึงจะคิดเป็นวันเป็นคืนนั่นโ็ไม่ห้ามการคิดแบบนี้นะ กวิตกประเภศเนี้เป็นวิตกกที่ควรเจริญแต่ในชีวิตจริงของเราท่านทั้งหลายโดยมากเราจะไม่เจอเจริญวิตกปกับเพศโดยมากจะมากจะเจริญการมั่ววิตผู้หญิงสาววิตหรือพยาบาทวิตกเพราะคิดในเรื่องแบบนี้แล้วมันมันเหมาะกับอายาไสที่เราไปสั่งสมมาคือคิดแล้วมันไม่อึดอัดเคสในเรื่องการเนี่ยหลายหายคนก็พูดกันเนี่ยนะเออแล้วมัน เขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาก็มานั่งเล่าอีกครั้งเขาบอกท่านนะจ ะ, จะให้โยมเนี่ยนั่งทำธรรมะทั้งวั น, นมันเป็นไปได้ยังไงว่ามางทีมันก็อยากจะปล่อยใจมันสบายสบาสบงถึงแ ม, ม่ไคือคือเขาเขารู้สึกว่าอึดอัดคือถ้าจะให้คิดเข้าหาธรรมะคิดเข้าหา ถ้าคําคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคิดทคำหากุศนี่ยเขารู้สึกอึดอัดแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะไอธรรมชาติต้องกล้าอยากลงน้ําเนี่ยนะธรรมชาติต้องจีบแล้วสแสวงหาบาปเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยของคนดยฉันเป็นแบบนี้ <c oughs> อก็อมาจากตรงนั้นกันแคบเะทั้นนง <c oughs> น, นั้นใช่ไหมแล้วคือ กว่าจะเข้าล่องเข้าลอยเนี่นะครในด้านของความคิดเนี่ยกว่าจะตั้ประทับประคองแล้วให้มันเข้าล่องเข้าลอยได้เนี่ยโหเหนื่อยมากต้องใช้หลายวิธีอใช้สูตรนั้นก็แล้วใช้วิธีนี้ก็แล้วสารพัดนเนี่ยจนกว่าบางทีเนี่ยบางสูตรเนี่ยเอามาคิดตึดตามพิจาจรณาตามเลื่องใดได้นะแต่มันได้โดยยากเดียวนะเข้านะเข้าเนี่คิดสูตรเนี่ยชักไม่ค่อยไปซะน่าใจอ่ะ ก็เปลี่ยนอีกแล้วก็นี่แหละลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้คาว่ากระทบกระทัง่งในดังที่ได้กล่าวนี้ที่บอกว่าคิดโดยส่วนลักษณะของคิดก็เป็นธรรมชาติคิดคิดอยู่แล้วแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดแบบปัญญานั้นท่านก็เน้นในเรื่องของการว่าเออเป็นสิ่งที่จะต้องคิดเพื่อเป็นปัจจัยในการเจริญ วิพัฒนาปัญญาเป็นเพอนกันฉะนั้นในครั้งที่แล้วก็ได้พูดเกี่ยวกัเรื่องของโทสะทั้งสองประเภททั้งอสังขาริสแล้วก็สัสังขาริกดังที่ได้กล่าวทีนี้ที่บอกว่าโทมณตเวชนาและปฏิฆานะเข้าเกิดร่วมกันเสมอดังที่ได้กล่าวครั้งที่แล้วทำที่โทมณตเวชนานั้นมีธรรมที่ต้ตองสัมบยุ์อย่างเดียวคือปฏิฆา ถ้าหาก่าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าในระหว่างสองหรือสองประเภทเนี้ยเวทนาที่สำปยุทธเป็นต้นเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าโทสามมูลิจตเนี่ยถามว่าสามารถมีเวทนาอื่นเข้าประกอบได้ด้วยไหมเ็าบอกว่าเขาตองบอกไม่ได้ เพราะว่าตัวโทสะมูลกิจเนี่ยจะไปประกอบกันกันกบสองมนัสเวทนาหรืออุเบกขาเวทนากรณ์นะเขาบอกว่าถ้าราชาเนี่ยรับสั่งให้ประหารชีวิตของโจรเขาบ่างนะั้นนทีละอูมาวะด้วยประพักที่ยิ้มแย้มอย่างหนึง่งหรือพวกเด็กๆ เ, เนี่ยในขณะที่กําลังยิงนกหรือฆ่าสัตว์ก็ทําไปได้วยใบหน้าที่อุบลิบหรือยิ้มแย้มอย่างหนึง่ง หรือเมื่อได้เห็นไม่ได้ยินข่าวของคนที่เป็นศัตรูเนี่ยกําลังได้รับความทุกข์ความลําบากหรือเขากําลังตกทุกข์ได้ยากหรือบางครั้งเขาตายเนี่ยก็ชื่นชมเยินดีถามว่าเช่นนี้อยากว่าโทตามุนจิตเนี่ยเกิดพร้อมกับสมมานาเตเวธนาได้ไหมรอดไหมนเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือถ้าหากว่าสั่งฆ่าศัตรูใช่ไหม ถ้าประหารศัตรูได้เนะี่ยก็ อ, อูยิ้มนะ้าโล่งใจเป็นนิสมมุติหรือว่าเด็กๆที่ไปยิงนกตกปลาพอได้ปลามาแล้วก็ดีใจเนะ่ยหรือถ้าเรารู้ว่าคนที่เป็นศัตรูของเรามีอันเป็นไปแน่นกว่าแล้วสมมติเงี้ยนะอันนี้จะบอกว่าโทษตาูลจิตเนี่ยจะเกิดร่วมกับสมุนไพรเจตน า, นาได้ไั้เพาบอกในขณะที่กําลังฆ่าศัตรูอยู่นั้นนะ่ะไม่ปรากฏกิกริยาการ ก็ไม่ปรากฏกิริยาการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษเขาบอกตอนนั้นเป็นปกติที่เฉยเฉยก่อนแต่ไปเข้าใจว่าโทสะของผู้นั้นย่อมเกิดพร้อมด้วยเวขาเวทนาฉะนั้นความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าโทสามุณจิตเนี่ยหรือโทมณัสราคตันไปต้นเหล่านี่นยนะเขาพุทธเจ้าบอกว่า โทมมนาสาขัตังขึ้นจำกับไว้เพื่อไมให้เกิดความเข้าใจผิดถามว่าในขณะที่มีการยิ้มมีการเชื่นชมยินดีนะนะั้นนี่ยจิตพวกนี้เกิดพร้อมด้วยสมนัตเวทนาเสมอไปหรือไม่ใช่เนะี่ยบอกว่าโทศาสต์จนะิตเนี่ยแต่ที่กล่าวว่าผู้ที่กําลังทําการงานเกี่ยวกับารฆ่าการเบียนเบียนเนี่ยนะตอนนั้นอนะ่ะไม่ใช่โทศาสตร์จิตเกิดแต่มันโลภะเกิดก่อนเข้าใจใช่ไหม คือด้วยความเร็วของวิถีจิตเนี่ยบางทีเรานึกว่าไปเข้าใจว่าเป็นโทสะแต่ถ้าหากสภาวะหรือที่เกี่ยวกับการฆ่าหรือกําลังฆ่ากําลังเบียเดเบียนเป็นต้นอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นไปด้วยอำ น, นาจของโทสะเป็นไปด้วยอำ น, นาจของโทสะ แตพอสภาพเขาโทสะเนี่ยมันดับหรือมันหมดกําลังลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นโลภะตามมาเป็นอุเบกขาหรือเป็นสมะนะอันนั้นก็ไปพูดเทคนิคเท่านั้นอย่าไปเข้าใจว่าเออถ้าฆ่าคนแล้วเนี่ยเออมันเป็นสมะนะนั้นโทสะก็จะเกิดร่วมกันกับสมะนะนั้นอันนี้นไม่เป็นในลักษณะเลยนะขบการต่อไปนะไปดูเกี่ยวในเรื่องของโมหะที่บอกว่าจิตในข้อที่บอกว่า จิตที่มีโมหะอยู่ไหมวีจะโมหังเกศรษฐโมหังกว่าจิตตังไนงะที่บอกว่าจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโมหะในโมหะมูลจิตเนี่ยโดยมีโมหะเจตสิกเนี่ยนะเป็นมูลเป็นประธานเนะี่ยมีอยู่สองดวงดวงแรกก็คือปุเปข า, าชาตาังวิจิติช้าสามยุตังเนี่ยนะ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความสงสัยในดวงหนึ่งส่วนดวงที่สองก็อุเปขาจารกตังอุทะยาสัมพยุตัองอันนี้จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆอันนี zy, ้ประกอบด้วยความคงที่ในโมหะมูลจิตที่ชื่อว่าอุเปขาสารกตังวิติจิจชาสัมพยุตังเนี่ยจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆเนี่ยนะอย่างหนึ่ง แล้วก็มีความสงสัยเข้ากระกอบเนี่ยในดวงที่หนึ่งเนี่ยเหมือ น, นจะโลภะเหมือนจะโทสะแต่มีความแตกต่างอยู่ตรงไหนประการแรกคือมีโมหะเจตสิกเป็นมูลจะเป็นประคาคำว่าเป็นมูลในที่นั้นคือเป็นรากใช่ไมโมหะนั้นเป็นรากเง่าเป็นรากของเป็นรากของของอาภุศลประการที่สองมีวิจิิรฉาเจตสิก กาวคือความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นสัมปยุจะธรรมที่พิเศษฉะนั้นในดวงเนี่ยถ้าจะต้องสังเกตดูให้ดีก็คือว่าไอ้วิจิกิจฉาเนี่ยเ ป, เป็นเป็นเจตสิกที่สัมปยุสสัมปยุสแบบพิเศษด้วยวิจิติฉาเนี่ยมันมีอยู่แปดอย่างนะและมากกว่านั้นก็มีนะแต่ถ้าใน ขาวิธรทำเนี่ยถ้าในดีการหรือในที่ที่ตัวตัวตายก็จะท่านนาาํามาแปดอย่างแล้วก็แปดอุเบกขาศาสา ก, ฐฐก็จะจิตคือเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาวเวทนาคือความเฉยเฉยเนี่ยและก็ยังมีเจตสิกอื่นๆเจตสิกอื่นเกิดร่วมตามสมควรนะแต่เขาไม่เอาเจตสิกเหล่านั้นมาตั้งชื่อใช่ไหมเขาไม่เอามาตั้งชื่อ ถามว่าโมหาวุฒิเกียติเป็นอาสังขาริสหรืออาสังขาริเ้าที่เรียนกันมาแล้วเป็นอาสังหรือเังอย่าใครเลยเวลาจะเกิดความโม่เกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาเนีย่ยต้องมีคนข้าชวนนะไม่ต้องขับชวนเลโมเอง ในโมคาว่ามีโมหะเจตสิกเป็นโมเนี่ยคือเป็นสภาพที่ลุ่มหลงหรือจะทำกิตให้มืดบอดมืดบอดเนี่ยคำว่ามืดบอดในที่นั้นหมายความว่าปิดบังสภาพทำไว้ไม่ให้รู้แจ้งในอารมณ์และก็สภาวะทำต่างๆคือเขาปิดเนี่ยแปลกในในชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าโมหะไม่ปิด คืกิดอารมณ์เนี่ยทำให้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงของอารมณ์นะที่จริงน่าจะในความรู้สึกของเราท่านทั้งหลายโดยส่วนมากจะเข้าใจว่ามันไม่ปิดเช่นเราก็รู้ว่าคนนี้เป็นหญิงเป็นชายใช่ไหมรู้ว่าคนคนนี้รูปร่างหน้าตา ย, ย่างายังไรและฉลาดแล้วไม่ฉลาดเลยมันก็รู้ลักษณะเนี้แท้ท่จริงการรู้แบบเนี้ยยังชื่อว่าอาํานาจของโมหะยังเข้าไปปิดบังอยู่ เอายังเรียกว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงเนะี่ยทั้งๆที่เรารู้ว่ามีผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยแล้วบางทีเรารู้ด้วยนะท่านคนนี้กําลังต้องการอะไรจะนาไม่ให้ไปดักน้ำมาดีจะกินน้ำมะกินข้าวแต่แต่นี้ถือว่าไม่เรียกว่ารู้ตามความเปจริงที่บอกว่าถ้าจะไม่รู้ตามความเป็นจริงต้องบอกว่าต้องรู้โดยความเป็นขันเป็นอยนายตนะเป็นข้าเป็นสัจจ หรือเป็นปฏิกจากสมุบาติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะต้องไปรู้อย่างนั้นนะถึงว่าไม่มีอะไรปิดทีนี้ที่บอกว่าการที่เราแยกแยะในการที่ขันเหล่านั้นมาประชมกันแล้วเราก็แยกแยะไม่ออกอีกศัพทนึ้ก็เรียกว่ า, าวิชาอาวิชชาและโมหะนีนเ็นในย่าเดียวกันฉนันทำว่าเป็นมูลเหตุ ให้เกิดความลุ่มหลงเราเรียกั้นโมหะนี่เป็นเป็นจิตคือเรียกอย่าันึราเรียกว่าจิตหลงเออในโมหะโมระจิตเนี่ยมีอยู่มูลเดียวนะคือมีโมหะมูลแต่ในโลภะโมระจิตมีอยู่สองมูลมีอยู่สองรากคือมีโมหะมูลและโลภะมูลใช่ไหมส่วนถ้าโทสะโมระจิตก็มีโทสะมูลแล้วก็มีโมหะมูลแต่ถ้าในโมหะโมระจิตมีอยู่มูลเดียว มีโมหะที่นีโมหะเนี่ยเป็นเจตสิกคิดว่าเป็นมูลและประกอบเข้ากันกับอุปโสและจิตทุงตัวไม่ว่าจะเป็นในโลภะมูลจิตแปดในโทสะมูลจิตสองเนี่ยนะก็รู้ว่าแต่มีโมหะเจตสิกเนี่ยเป็นมูลทั้งนั้นแม้ว่าจะมีโมหะเป็นมูลอยู่ด้วยก็ไม่เรียกว่าโลภนะนั้นมีโมหะมูลจิตหรือโทสะนั้นมีโมหะมูลจิตเป็นทั้งนั้น ก็เรียกว่าแต่ในที่นี้นี่บอกว่าโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตและก็โมหะมูลจิตท่านท่านแยกออกในลักษณะอยู่ไหมส่วนประการที่สองคือวิจิิจฉาสนประโยชน์คาว่าวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นเจตสิกที่เป็นเหตุให้บุคคลวิจัยสภาวธรรมได้ลําบากยิ่งขึ้นใช่ไหมคือปกติมันน่าจะวิจัยอะไรได้ขาดหรือได้เข้าใจใช่ไหม แต่เพราะมนนีเจตสิกเรื่องนี้นี่แหละมาเกิดร่วมก็ทำให้การวิจัยเนี่ยมันลังเลเอ๊ะถ้าเราสงสัยว่าอินทันคนนี้ชื่ออะไรนะเงนี่ใช่ไหมอันนี้ใช้วิจิติชาวไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะ <laughs> เอะทันคนนี้ใช่โยมที่บ้านหรือเปล่า <laughs> รับสงสัยอย่างนี้เคยมีข่าวนทะี่โยบผู้หญิงแน่นิ่งไม่รู้มันไม่ ร, มมรมู้มีผู้ชายขึ้นมาขึ้นมาที่บ้านเข้ามาที่บ้านจะรู้ว่าเป็นโยผู้ชายอันนี้สงสยัยส <c oughs> งสยัยไปสามีกลับมาโกรธแกเระบอกหม่ ทำไมถึงโง่เรือเ่อยๆเพราะว่าเพราว่าภรรยาเขางโง่เรื่อยๆนี่นปนนเป็นเรื่อง เ, เ, เลวร้ายเลยนัน่นนั้นไม่ได้ Avoid เจตจาร้์เขาบอกว่าความลังเลสงสัยเน่ยเหมือนอย่างที่บุคคลเขาอุกมาเหมือนกับการเดินไปสู่ทางสองแง่ ก็ลังเลเอาอจะเดียวตายหรเดียวขวาเนี่ยมันจะสงสัยลักษณะอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่เป็นว่าการสงสยัยในเรื่องเส้นทางไม่ใช่วิจิจรฉาแต่ท่านยกอผมมาขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการอยากจะให้ทราบว่าเจอตัววิจิจรฉาเนี่ยเป็นตายในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ความลังเลสงสัยเนี่ยความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นเนี่ย ที่นับว่าเป็นวิจิกิจฉาพระสาบอกว่าวิจิิจฉาเนี่ยเพราะไม่ไม่มีธาตุเออเพราะว่าความรังเรือสงสัยทั้งแป่ประการที่ั่นจัดทอาไว้นี่นะในท่านบอกว่าสัทธารีสังฆติเนี่ยสงสัยในสรีระของพระษาสดา ว่าประดับไปด้วยมหาปุ ร, ริสละชนะสามสสองหรือไม่ประดับหรือเคลือแทงสงสัยในพุทธคุณมีอ拉หังเป็นต้นเนี่ยนะถามบอว่าสงสัยในพุทธคุณมี阿拉หันตคุณเป็นต้นเนี่ยจอสงสัยเรยังไนสงสัยบอกว่าคําวา่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยท่านจากกิเลสเขาได้ว่าสนาเป็นต้นเนี่ย ถ้ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยไอาการสงสัยลักษณะอย่างเนี้ยลักษณะของวิจิตรคิชาจะสงสัยอยู่บางส่วนประการแรกที่บอกว่าสงสัยมหาปุริลักษณะสามสิบสองประการแล้วก็อนุพยัญชนะแปดสิบถ้าหากในในการศึกษาคําสอนของคนในยุคเนี้่เพราะอ่านมหาปุริสักษณะในสามขีตุสิสัมคีติสุเป็นต้นอย่างเอง พอมาอ่านหรือมาพิจารณาดูยิ่งเป็นๆและหายดูต่ อ, อใช่ไหมก็จะไปไปสงสัยทันทีว่ า, วาลักษณะของพระมหาบุรุษลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นต้นหล่อเนี้ยเพมันทําไมไม่เหมือนกับบุคคลทั่วๆไปมันจะเป็นไปได้นรือนิลักษณะอย่างนี้ก็เแปกว่าสงสัยในสรีระของพระบรมสารดะตรงนี้ก็บ่งบอกให้ชัดให้รู้ได้เลยว่าไม่รู้ในเรื่องกรรมและบุคคลบองก้อน โดยเฉพาะก็คือไม่รู้ว่าการที่ท่านเหล่านั้นจะเป็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยว่าท่านทําอะไรใช่ไหมว่าการทรงศึต่างสมอดปลพุทธกาแล้วก็ทำเป็นต้นเหล่าเนี้ยการที่บากบั่นในการเพียรพยายามในการสร้างทานบาลมุเป็นต้นเหล่านี้ท่านต้องเพียรพยายามขนาดเลยใช่ไหมถ้าหากรู้กรรมของท่านเหล่านี้ความสงสัยก็ยิ่งว่าแต่ว่าลักษณะของวิจิกิช้าเนี่ยก็สงสัยขึ้นไปประการแรกคือสงสัยหมาปุริสัตวลักษณะแล้วก็ สงสัยคุณของพลพุธิเจ้าประการที่สองเขาบอรทำเมกังคติอันนี้สงสัยในพระธรรมหรือในคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมในที่นั้นก็คือคุณของโลกุตระทรเก้ 9, มามัดสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งแต่ท่านเพิ่มอีกอย่างนี้เขาปยิยาม ถ้าพูดถึงในยะของสงสัยภาคปริยัติธรรมนี่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเวลาศึกษาคำสอ น, นเนี่ยนะบางกลุ่มก็ก็จะมาพิจารณาว่าเอ๊ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจนถึงขนาดนี้ยาวนานขนาดนี้ส่วนนี้น่าจะไม่ใช่ก็จะเรื่องของท่าจะตัดต่อไปเยอะเลยอันนี้ก็เรียกว่าสงสัยในคุณของโลกุณณะธรรม คือมัทธีผลสีสสส่นิพพานดุเขาบอกว่าการสงสัยในพระธรรมเนี่ยเครือบแทนสงสัยในพระธรรมมาคุณกันแหคือสว่าขาโตเป็นต้นเหล่าเนี้ยในสงสัยในพระธรรมมาคุณว่าธรรมคุณที่บอกว่าโรกุตละธรรมเก้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้สัตว์นั้นพ้นจากกันดองใช่ไหม กล่าวคือพ้นแกนจากชาติทุกข์ชาาร า, ท, ร า, ราทุกข์มรณะทุกข์โตกล่าวปี้เวชทุกขะโทมรณะกาและโอปายะตรงนี้ก็ตั้งข้อสงสัยแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่ยว่า อ, อว่าการประพฤติปฏิบัติตามภาพปริยะติแล้วมันจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดสัจจะแล้วก็บรรลุมรลนิพพานได้หรือไม่ก็จะตั้งความสงสัยตรงนี้อย่างนี้เกาเรียกว่าทำในกังกาติ ก็แปลว่าสงสัยในในพระธรรมหรือที่บอกว่าพระคำของพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีแล้วเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่ผลิตปิภาคแน่หรืออย่างนี้เป็นต้นในนั้น mm hmm. ก, ก็ก็ไปตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเออคาสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่ระยะยาวนานขนาดนี้เป็นต้นในนี้ ที่จริงความสงสัยในพระธรรมเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะในปัจจุบันที่ผ่านมาสอง0ันกว่าปีนะแม้แต่ในสมัยที่พระบรมศ า, ศาสดายังทรงก็ชนอยู่หรือก็ก็มีข้อพูดอยู่สงสัยตรงนี้เป็นไปไดอย่างนี้เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาประการที่สามสังเคกัรคติมีสงสัยในพระสงค์ สงสัยในพระสงฆ์คือในคุณของพระ อ, อิยาสงฆ์ทั้งหลายนะคุณของพระโสดาบัน พ, าาพระสกท า, าพระนาคาพระทหารเนี่ยก็มีสุปฏิปนะันน่ะคือปฏิบัติดีจริงๆเป็นต้นอะเนี้ยก็คือสงสัยในคุณของพระ อ, อิยาสงฆ์อันนี้ก็เรียกว่าสังเคกังขติมีสงสัยในพระสงฆ์ประการที่สามสิกขา สิกขาญากรรมสติสงสัยในสิกขาสามสงสัยในอาทิศีลสิกขาอาทิตตสิกขาแล้วก็ยทิตยานาสิกข า, กาสงสัยยังไงสงสัยว่าสิกขาสามเนี่ยจะเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเครื่องนําออกจากว่าจะพบได้จริงหรือเใช่ตั้งข้อสงสัย ถ้าหากว่าคิดแบบปุถุชนคิดเนี่ยคิดแบบคนที่ไม่ได้อบรมหรือศึกษาคําสอนจริงๆเนี่ยนะดูดๆแล้วไม่น่าจะนําออกเก็บพวกได้สิถ้าดูยังไงบางทีเห็นปู่ย่าตายายเนี่ยไหมไปวัดรักษบสติมาจนแก่จนเฒ่าก็ยังไม่เห็นมีทีมีข่ามีทางอะไรที่จะออกเก็บพวกอย่างเลยอันนี้เราเราก็ดูๆก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม เผอบางทีไอ้ที่ไม่ค่อยโกรธกับยิ่งโกรธเก่งมากขึ้นคนแก่คนเฒ่าวันไหนถ้าโรคหลานไม่ไปส่งที่ว่าโอโกรธมากเลยโคตก็เลยสงสัยขึ้นมาแล้วเออไอ้สิกขาสามที่จริงก็คือว่าเขาไม่เข้าใจว่าสิกขาในเชิงแล้วอย่างในคําที่ท่านตอนนั้นที่ท่านเข้าทายยะทารุจเจริญใช่ไหมที่เป่เาพระพุทธเจ้า ที่เดินตามวลแรมเดีวข้าวพระพุทธเจ้าเพื่อให้พุธพทธเจ้าแสดงคำแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่คำหนึ่รู้ก่อนพายะท่านถึงศึกษาวะะ่าใช้คําว่าศึกษาตับนั้นหรือคำนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นชื่อของสิกขาสามเนี่ยเป็นชื่อของสิกขาสามก็หมายความบอกว่าอในกรณีที่การเข็มเนี่ยนะทํายังไงที่จะทาสิกขาสามให้ดําเนินไปได้ แม้การได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสลิ้มสัมผัสหรือการคิดนึกเนี่ยนะในอารมณ์ทั้งหกเ น, นี่ยนะจะทำยังไงจะทำให้สิกขาสามนั่นดำเนินไปแต่เขาบอกว่า ฉะนั้นในสิกขาสามหรือในอาทิตย์สีแลสิกขาอาทิตกิตติสิกขาอาทิตย์ปัญญาสิกขาโดยในารู้ว่าสิกขาสามที่พระองค์ทรงประกาศไว้เหล่าเนี้ถามว่จะเป็นเครื่องนําออกเด็ทุ่ได้จริงหรือไม่การสงสัยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสิกขายกกรคติอันนี้สงสัยในสิกขาสามสงสัยในสิกขาสามนี่สงสัยในอริยมรรคไหมไม่ใช่เพราะว่ามรรคเนี่ยคงแตกเนี่ย ถ้าหากสรุปลงก็ถือศึกษาสามอันนี้ถือว่าแหมสงสัยข้อปฏิบัติในพระสาวนาเลยถ้าคนมาสง ส, ยสัยถึงสมาธิปัญญาประการที่ห้าตกพันเตกังคติอันนี้สงสัยในขันสงสัยในขันขันในจวนอดีตขันเป็นต้นนะขันในยตนาท่ที่เป็นอดีต คำว่าสงสัยขันอายตนาธาในตัวอดีตหมายความว่าอัตภาพในพบก่อ น, อนบอกว่าในอดีตการเนี่ยเราเคยมีเคยเป็นมาแล้วหรือหนอเป็นต้นเนี่ยความสงสัยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปกพันเตกังคติอันนี้เป็นลักษณะของวิจิตริชาอันนี้เป็นมโมหะในการเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าพูดถึงคนที่ มีโมหะและที่ปิดบังในส่วนของอดีตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าระลึกไม่ได้ใช่ไหมเราระลึกไม่ได้เลยว่าขันท่าอายตนะที่เป็นมาในอดีตเนี่ยว่ามันเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าให้เรานั่งคิดกันเดียว น, นี้เนี่ยนะคิดยังไงก็มองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าพออ่านุูปมานได้จากการศึกษาและทำคำสอนเนี่ยว่าขันอายตนะท่าที่มันกําลังเป็นไปอยู่เนี่ย แล้วก็เป็นไปด้วยการที่ว่ายังมีกิเลสฝังแน่นในจิตสำนึกดังนั้นปุกพันเตการคติเนี่ยความสงสัยในขันเป็นต้นในส่วนของอดีตหรือคนที่เกิดมาในอดีตว่ามีสิ่งนี้หรือไม่ทิ้งเป็นต้นประการที่หกอป ร, ปรนันเตการคติอันนี้สงสัยในขันในยตนาธาตุที่เป็นไปในที่จะเป็นไปในพบข้างหน้า อันนี้ก็หมายความราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีอีกหรือหนอสัตว์ทั้งหลายตายแล้วจะมีอีกหรือไม่มอย่างนี้เป็นต้น อ, อันนี้ก็สงสัยในส่วน้องขันเพื่อแต่การสงสัยในลักษณะอย่างนี้นี่นะถ้ามีสงสัยเนี่ยอนาคตก็สงสัยถ้าเราดูในยานของพระพภาคเจ้าในการที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยในปฐมยามเนี่ยพระ อ, องค์ได้ปุเพนิวาสามนสติยาน อันนี้คือยานที่เป็นไปกับสติตามระลึกชาติผลหลังตนเองได้ก็ตามระลึกถึงขันอายะนะชาติขอ ง, งตอนเองเอง น, อนี่ยนะพยานอันนี้ของพระพุทธของ พ, บพบระพุทธองค์ที่อุบัติเกิดขึ้นเนะี่ยอันนั้นสามารถทําลายเอาวิชาในส่วนของอดีตได้ใช่ไหมทำลายเอาวิชาในส่วนของอดีตได้ส่วนในมัชชิมยามก็คือจุดตูปปาเดยานคือยามที่เข้าไปรู้ อุบัติและจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยในย่าก็คือว่ารู้จิติและปฏิสติของสัตว์ถามว่าพายานในส่วนของมัชชิมยามเนี่ยไปแทงตลอดอวิชาในส่วนของอนาคตใช่นะั้มขันที่จะเป็นใปในอนาคตปกติเนี่ยก็ปิดบังไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นตามความดึงดิงแต่พอพายานเหล่านี้เกิดขึ้นอย่าพระองค์เนี่ยก็อมองและไปแทนตลอดยานเอง เอาวิชาในส่วนของอดีตและในส่วนของอนาคตเป็นต้นประการที่เกียบปกพันตาปารันเ ต, ตกังขติสงสัยในขันอนาติณธาตุเป็นต้นที่เป็นไปในส่วนอดีตและก็นอนาคตก็คือขันเป็นต้นในส่วนอดีตทั้งที่ส่วนอนาคตบอกว่าในปัจจุบันที่มีอยู่นั่นเองบอกว่า การะบาดนี้หรือในปัจจุบันนี้เราเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่หรือตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในขันในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความสงสัยในส่สนสวนอดีตและในส่วนอนาคตเพราะเหตุนั้นความสงสัยในปัจจุบันจึงชื่อว่าเป็นความสงสัยในทั้งอดีตและทั้งอานาคตด้วยอันนี้ในด้านของปุพพันตะปรันเตและก็การตัณฑ์ประการที่แปด อันนี้ปฏิจจสมุปบาทเทกันติคหรือในปัจจาการคือในปฏิจจสุบาทปัจจัยอันเป็นที่ผลอาศัยเกิดขึ้นที่บอกว่าวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นเหรอเนี่ยอันนี้สงสัยสงสัยความสัมพันธ์กันของเหตุและผลและการสื่อต่อกันบอกว่า การที่ผลอุบัติเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมีเหตุเป็นแรงเกิดคือต้นอย่างเนี้ยหรือว่าความสงสัยในสัมปาระวะัติกับความเป็นไปของฐานธาตุยานตนาที่เป็นไปตามพบน้อยแล้วพบใจญ่เป็นต้นเ่าเนี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิจิจิชาคือความสงสัยอันนี้เป็นชื่อของโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งใชทีนี้ใน ในจิตตาต้อปรัชนาบอกว่าจิตที่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโมหะถ้ารู้ชัดโมหะมูลจิตดวงแรกเนี่ยเขารู้ชัดยังไง ร, รู้ชัดโมหะมูลจิตบอกว่าลักษณะของโมหะมูลจิตเพราะเขรียว่าลุ่มหลงงม ง, งายอย่างยิ่งเขา โมหะมูรจิตนี่นะลักษณะของโมหะบูรจิตอิกประการหนึ่งกนะ็คือว่าวิจิกิจชาวสัมยุญตะจิตเนี่ยนะในโมหะบูรจิตที่ได้กล่าวมาคือความลงลังเลสงสัยทั้งแปดประการเนี่ยวิจิกิจชาวในฐานะทั้งแปดประการเนี่ยจะเป็นนิวรจัะเป็นนิวร ความลังเลสงสัยในเรื่องอือ่นถ้าสงสัยในเรื่องหนทางหรือเรื่องของคนเนี่ยอันนี้ไม่จัดแคในโมหะโมระจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยที่สัมปยุตโตวิจิจิชาเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิจิตจิชาสัมปยุตตางเขาเรียกว่าสัมปยุตับวิจิตจิชาวเช่นโมหะโมระจิตจะมีโมหะเป็นมูลแต่ท่านก็ไม่ได้ตั้งชื่อจิตเหล่านี้ว่ามีโมหะสัมปยุตโตจิตใช่ไหม สามกิจทุกดวงเนี่ยไม่ไม่มีความแตกต่างนะแต่โมหะยะตะศิษฐ์นั้นประกอบในอ ก, ศกุศลกิจทั้งหมดที่เรียกว่าวิจิตรศะหรือวิจิกิจรฉาสัมยุทธกิจเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่าสัมปยุตธด้วยวิจิกิจฉาที่สัมยุทธด้วยวิจิตรฉานี่ท่านตั้งถึงความว่าเป็นผู้รังเลสงสัยเนี่ยในแตกประการดังที่ได้กล่าว ส่วนอีกคำหนึ่งคําว่าอุเบกขาสหคตจิตคําว่าอุเบกขาสหัชจิตสี่ก็หมายรวมว่าสหเรคาคลอดด้วยอุเบกขาเวทนาสภาวะคือจิตดวงเนี้ยสหเรคาคลอดด้วยอุเบกขาเวทนาได้อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามีความลุ่มหลวงด้วยโมหะประกอบด้วยมูลอย่างเดียวคือโมหะมูลเนี่ยนะ ไม่มีโลภะไม่มีโทสะเป็นมูลฉะนั้นถามว่าวิติอิจฉาที่วันไหวได้วยความสงสัยหังเลอยู่จึงไม่มีความดื่มด่ำในอารมณ์ที่ถือเอานะแม้จะได้รับอารมณ์ที่เป็นอิจฉารมม์ก็สวยอารมณ์โดยความเป็นกลางไม่ไม่เป็นสมนะใช่ไหนนะส่วนประการต่อมาก็ถือว่ามีเจตสิกอื่นประกอบตามสมควร ก็มีเกี่ยวกับเเจตสิกเจตสิกในในโมหะมุลจิตทีนี้อาการเป็นไปแต่าถามบอกว่าในโมหะมุลจิตเนี่ยดวงแรกเนี่ยถามว่าเป็นอสังขาริหรือจตสังขาริกเป็นอสังหรือจตสัง ตรงนี้จริงๆท่ายังมีสิ่งที่เขาจะต้องถกกันอยู่ในครับว่าเป็นอาสังหรือสาสนาในโมหะมูลจิตบางแห่งท่านกล่าวว่าเป็นทั้งอาสังษษและศัสนาท่านบอกว่าการที่ไม่ได้จําแนกว้ด้วยสคำถามว่าเป็นอาสังขาริหรือศาสนาขาริก็โดยเกี่ยวกับว่าเมื่อบุคคลรุ่มหลงเนี่ยนะ ถ้าเกิดความหลงเกิดความไม่รู้เนี่ยจคําว่ามีมูลเดียวคือมูหามูลเนี่ยแล้วพราะมีความคานแทงนั่นแหละเพราะฉะนั้นย่อมหมาสภาพที่กล้าแข็งเป็นปกติที่จะนับว่าเป็นอสังขาริสไม่ได้ตรงนี้จำถึงบอกว่าท่านไม่จับทั้งอสังขาริสและก็ไม่จัดเป็นทั้งต่าสังขาริาส พราย่อมหาสภาพที่พึงกระตุ้นชักจูบชวนเนี่ยจนเกิดความกล้าแข็งที่จะพึงนับว่าเป็นศาสังขาริสก็ไม่ได้เท่าหน่ท่านจึงให้เหตุผลว่าไม่เป็นทั้งอาสังขาริสและศาสังขาริทีนี้ไอการกระตุ้นชักชวนเนี่ยเป็นธรรมาชาติที่ไม่อาจจะเกิดสภาพที่แข็งกลา้าไปตามอานามตามกระตุ้นชักจูบได้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้จําแนกเอาไว้ทั้งเป็นอาสังและศสัง แต่ว่าจิตดวงนี้ให้ชื่อเทียมว่าอุเบขาสารตังแล้วก็บอกว่านี่จิตจิตชาสำดุจตัเคือจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยและแล้วประกอบด้วยความสงสัยอันนี้ท่านไม่ได้จาไม่ได้ให้คาว่าเป็นอสังขาริกลิือสังขาริสนี่นี่ในหนึ่งนะส่วนอีกในหนึ่งจิตดวงเนี้ย ท่างจักว่าเป็นอาสามถาที่เพราะเป็นสภาพปกติของเราสักจึงไม่เชื่อว่าเป็นจิตที่ควรให้เกิดขึ้นด้วยความเพีย้ยนด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจิตที่ไม่ไม่ฟ้อนอยไม่จมลงเสมอคือมันไม่เหมือนกังกับพวังคจิตใช่ไหมถ้าพระวังขจิตเนี่ยก็แปล ว, ว่าเป็นจิตที่ตกจากวิถี นันอันน AH, ี <I> mean, ้ท <Pittsburgh. S 2> ่านเห็อยกว่าเป็นอะไรเป็นอสังขารนี่คือจิตที่ไม่มีสภาพกระตุ้นเตือนท่านโมหะมุลจิตดวงนี้ยเป็นจิตที่กล้าแข็งโดยสภาพจ้องเป็นไปในหมู่ปัจจัยปกติล้วนๆตราศจากการกระตุ้นท่านจึงถือเอาประเภทของสังขารในโมหะมุลจิตทั้งสองอยู่อันนี้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยมีสภาพที่กระตุ้นทั้งทั้งสองดวงเนี่ย ทีนอาการเป็นไปของวิจิตรฉาสมัมยุทศกษษษิจเนี่ยมีอาการเป็นไปยังไงบอกว่าเป็นไปโดยความลังเลและสงสัยลังเลสงสัยในคุณของประพุทธถ้าทำประสงค์ว่ามีจริงหรือไม่อาการนบ้นได้วยกาวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรรมและผลของกรรมว่าน ก, กรรมที่เป็นกุศลกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมเนี่ยที่ได้ทําไปแล้วนั้นน่ะจะให้ผลในการข้างหน้า หือในปัจจุบันที่บุคคลเป็นไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับผลดีและไม่ดีเป็นต้นเนี้ยก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุใน่ดีตจริงหรือเปล่ามีเว็ต้อนอันนี้ก็เป็นลักษณะของความสงสัยว่าในในปัจจุบันในปบเนี่ยศาสตร์ที่เกิดมาในได้ดีก็มีตกทุก์ได้ยากก็มีอย่างเงี้ยอันนี้บอกว่าเป็นผลที่ทํามาในอดีตจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ตั้งมีกําลังเร่ยสงสัยในลักษณะนี้แล้วว่าศาสตร์ที่กําลังเป็นไปอยู่เนี้ย เคยเป็นสัตว์ที่อยู่ในพบ ก, ก่อนแล้วมาตายจากพบนี้ไปแล้วหรือจะไปเกิดเป็นสัตว์ในพบข้างหน้าต่อไปไม่สูญหายใช่หรือก็ตั้งข้อคำถามในลักษณะอย่างเนี้นยลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นวิจิตรฉาทั้งนั้นถ้าบอกดูว่าวิจิตรฉาเนี่ยดูคล้ายจะเหมือนปัญญากัมือนว่าเหมือนอย่างเหมือนว่าเออคนที่มีตั้งข้อสังเกตลักษณะอย่างเนี้ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนมีปัญญาล้วนที่เิงไม่ใช่ เพราะว่าแท้จริงก็คือว่าเป็นลักษณะของการขาดโยนิโสมันได้สิ่างก็คือไม่ทีนี้ให้บอกว่าความดับสูนย์เนี่ยไวิติกิจฉาเพา่คุณได้เพราะอะไรทำยังไงถึงจะดับวิติกิจฉาได้ประการแรกก็าต้องทำยังไงทำยังไงจะจะดับวิติกิวิติกิจฉาได้ถ้าเกิดความสงสัยเนี่ย รือรู้ว่ า, าโมหะมูลจิตโดยเฉพาะดวงแรกเนี่ยเกิดขึ้นในขันธ์สันดานของเราท่านทั้งหลายบ่อยมากถูกไหยคืออัตรยาใสาที่เคยสั่งสมจิตประเภทนี้ไว้เยอะในสังสารวัฏเนี่ยแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความกังขาทั้งแป่ประการดังที่ได้กล่าวเรือ้อเมื่อมันมีอัจรยาใสาที่มันนองไปอย่างนี้มา ก, มากๆใช่หถ้าจะละ ถึงต้องการที่จะขจัดความรังเลสงสัยอันเนี้ยเราจะทำยังไงอยู่เริ่มต้นทำยังไงทำยังไงดีท่านบอกว่าประการแรกคือพระหูสุตตาคือเป็นพระหูสุพระหูสุตตาคือได้ยินได้ฟังพระกรรมที่เกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมเสมอเสมอจะศึกษาเรื่องนี้ให้มากเท่าไหรฟังให้มากไหมศึกษาคําสอนเยอะ มีประการนี่จะช่วยได้แต่ถ้าหากไม่ทําอย่างนี้นะนัเข้าน่งเข้ากลายเป็นคนเห็นผิดผิดเยอะเพราะในอดีตเนี่ยในทั้งสารวัฏเนี่ยเราไม่ทราบใช่ไหมจะจะสังเกตได้ว่าเออเราเป็นคนลักษณะอย่างนี้หรือไม่ก็หมายความว่า เ, ออเรื่องทั้งโลกไม่สงสัยเลยเดีพเข้าหาเรื่องพระธรรมอภิญญะจะตัง้งตรงใจตัง้งแต่บทแรกจนบทสุดท้ายนึง ถ้ารู้อย่างเนี้ยก็ต้องเียกขจารว่าอันนี้เป็นอกุศลใช่ไหมพิธีกระจารก็คือว่าต้องได้ยินได้ฟังคำที่เกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมเสมอเสมประการที่สองก็คือปริปุจชกตาก็คือว่ามันสอบสวนชวนถามต่อผู้ทรงปริยัติคือรู้ว่าใครเป็นเบื้หูสูตรทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นี่นะเข้าไปสอบถามเลยเข้าไปเรียนรู้กันท่านมากๆ การไปเรียนโล้ก็ได้ามากๆเนี่ยได้แต่ไปโยนโดยส่วนเดียวนี้ไม่ได้ทอดเลยเช่าะฉแต่ยัว่าบุคคลที่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยโดยมากก็ขาไม่ไยพวกขายากวันก่อนวันก่อนไป ได้ยินท้าท่านพูดท่านท่า น, าาา น, า น, น, านใช้คำว่าแตา่ท่านพูดถึงลาที่ที่ไปไปเดินขบวนท่านเอาใช้คาว่าแต่ขอร้องเถอะโคแต่เราพูดสง่างวดท่านพูดถึงเราความแปลกที่แต่ท่านพูดถูกไหมครับท่านบอกว่าโคแต่เูบ พูดแโพเะลกุอย่างนี้ถือว่าท่านโลกนี้ท่านใช้จุกไหมไมบริการโคววันก่อนไปเจอสับคำเนี้ยอยู่ในคำทีไม่ออกเปในอะไรสมโสาสมสมสมโพธิที่หรารไม่แน่ใจเนี้ยท่านใช้คำว่าโคเจลูกุสงท่านบอกว่าในอนาคตเนี่ย เป็นพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกว่าบอกว่าในอนาพัการเนี่ยนะในยุคที่พระศาสนาใกล้เสื่อมสูแล้วเนี่ยคือทิศูญเนี่ยจะมีผ้าเหลืองในน้อยนะท้องคอบ้างห้อยตามนิดนิดในน้อยว่าแล้วก็มีครอบครัวนี่นะทำมาหากินเหมือนคลราวานท่านใช้คํว่านั่นแหละสงรับขนาดนั้นเรียกว่าโพธระภูศกใช่ ฉะนั้นการถวายทานแม้นปารบสงอย่างนั้นก็ยังเชื่อว่ามีผมมีอาลิสง ม, มาเป็นไแต่ ว, วันก่อนไปได้ยินพระนั่นบเนีโคโดนผูสง น, นีนนน่เป็นไทยหรือเปล่าคือง่าใจ <laughs> ีประการที่สองก็คือว่ามันสอบสวนมันถามเข้าไปสอบถามผู้ที่ทรงปริยะนะ คือว่าอาจจะตรงทางด้านปีดอกสามสองปีดอกหรือหนึ่งปีดกหรื อ, อยังไงก็แล้วแต่หรือเฉพาะนิจกายดนิจกายหนึ่งทีสมัยก่อนถ้าหาใครทรงเพราไตรปีดกแบบทีทนิจกายก็เรียก ท, ทีนิกายภาชการอันนี้ทรงหนึ่งนิจากายบางบางทีก็มัตสิมานิจกายภาชการอันนี้ก็มีแต่แต่ในปัจจุบันนี่ก็ยังไม่เคยพบเลยไง ที่ประเภทที่ว่าจําแบบประเภทในไม่ต้องดูตําราแลว้วแบบจาได้อย่างในคําสอนที่เราศึกษากันใช่ไหมคานวมที่บอกว่าอยู่กับปลายลิ้นเลยแล้วก็ตกลิ้นออกมาได้หมเลยก็ยังไม่เเจอใคร เ, เจอบ้างนะใครที่ประเทศบามาเจเยอะเจอไหมท่าที่ทรงพระใสวิโดกังนี้เจอเยอะตอนนั้นไปเจอในหนังสือก็เขียนก็ว่าสมัยนั้นก็บอก มีพระที่ประเทศรพมา่าเนี่ยทรงวระไตรวิตรวิวห้าเลจบหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้มรณะภาพหมดเลยยังไม่รู้ก็ถ่ายภาพไปดูแกหมดเลยนะฉันไม่ได้โอ้โหนะยังมีชีวิตอยู่โอ้หน้าชื่นใจนะประเทศไทยไม่มีเลยนะไม่มีเลยโอ้โหจบทั้ง3าปีดดบเนละ ขนาดเขาถายโลกออกมาเห็นโลกนังแก่จนขนาดนั้นแล้วแล้วทุกวันนี้เรมีชีวิตอยู่อย่างประการที่สามก็คือวินัยเยปะกะกะตันยุตา่าก็คือรอบรู้ชำนาญและเข่งในวินยัยถ้าวิ น, ยนัยในไม่ว่าจะเป็นอาคาอาาคาละวินัยหรือวินัยสําหรับนักบวชหรือว่าภิกษุสามเณรหรืออาคาปิยวินัยวินัยสําหรับผู้คลองเรือจะแก่สิ่หน้าหรือถืออุโบสถถ้าเป็นผู้เข่งขัด ในวินัยของพระพุทธองค์เนี่ยนะที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยว่าวินัยหรือศีลเนี่ยนะเป็นไปเพื่อกำรากิเลสต่างๆที่ไม่ให้ร่วงระเเมดมาทางกายทางวาจาเป็นต้นอะไรเนี่ยจะเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุในการที่ไม่ให้ตกเป็นเนรไปทั้งหมดนั้ฉะนั้นในการที่บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระวินัย เป็นผู้มีกายมีวาจาเรียบร้อยล้น เ, เป็นผู้สำรวมในอุตสีย์เป็นต้นหลังเนี้ยตรงนี้เป็นเหตุนะ เ, เป็นปัจจัยแก่การที่ว่าจะขจัดความลังเลสงสัยเอาน้องเป็นอย่างนี้นะว่าถ้าหากว่าได้ต่อพื้นปฏิบัติในวินัยของผู้มีพระว่าเจ้าได้อย่างเข้มขัดอย่างเราจริงอาจังเนี้ย มันจะมันจะเป็นปัจจัยเกิดความโมดเป็นปัจจัยเกิดปีติเป็นปัจจัยเกิดปฏิทินเราจะเป็นปัจจัยเกิดความสุขเพราะพรไอความรู้สึกตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านต่างๆ่างเหล่านี้มันจะหายมันจะหายหมดฉันตรงนี้ก็ได้ข้อคิดสาหรับเราทั้งหลายบอกว่าบางทีเราเดินมากเป็นผู้นี้ปกติสงสัยว่ามีปกติฟุ้งซ่านเรื่งต้นเหล่านี้ สิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบขั้งแรกเลยก็คือว่าวินัยใช่ไหมก็เป็นพ้าก็ตรวจสอบดูด้านวินัยของพระเป็นเรียนก็ตรวจสอบดูวินัยรู้เรี้ยงพิจาว่าก็ตรวจสอบดูวินัยของพระของตัะเวนนะนะก็มันตรวจสอบดูของไทก็ตรวจสอบของไรยดีเลยนะเพราะถ้าตรวจสอบถ้าตรงนี้นี่นะถ้ามันไม่ดีเนี่ยนะมันเป็นเครื่องกินหนื้แข่งใจยิงไม่สบายใจ มันมีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะไอกรณีที่ที่พอศึกษาไม่ดีตรงเรื่องวินัยเนี่ยทีนี้มันเกิดเราไปกระทําในสิ่งที่มันเราไม่แน่ใจาบางเรื่องเนะทนี้เราวิบวิตริษามันมีพ้าอยู่รูปนี้ตอนนั้นก็ศึกษาด้วยการก็เรอตั้งเข้าสงสัยกันแต่ตอนนั้ น, นคิดมันคิดมากไปกับวงการเรื่อวินัยเนี่ย ตอนนั้นไปคิดวะเนี่ยไอต้นตะโกนที่บวชบวดต่อต่อมาสํอหรับพวกเรามันน่ามันจะบริสุทธิ์จริงหรือเปล่า ต, ตอนนั้นไปศึกษาราษาตอนสมัยยุทยาไหมเอาะพศึกษาเลยเอมันขาดไปแล้วมั้งในช่วงนั้นตอนนั้นจะอาวุธยันโทรประตอนใช่ไหมมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะทั้งวันนี้เขาเรียกว่าวัดดาบพุทไตสวรรค วัดหิวผ้ารังก็ผี่ขาบอกแยไปศึกษาตอนที่ว่าตอนที่พระเจ้าตัดสินยกกองทัพไปลบที่เชียงใหม่เจ้เ า, า, าเท้าฝางเนี่ยถาวเป็นเจ้าเป็นลาบมีพระครูเคลิ ม, มานอนเป็นแม่เท้าเบกโดยผ้าในยกนั้นโอ้ เนี่ยคนบางคนพอไปศึกษากว่าจาดอะไรเสร็จก็กลับไมีาจะทำแล้วแล้วสื่ทอดมาแต่เรายังไงนี่ลงดูว่ผมอยู่ไหนนรผมถึงดีกว่าคนให้ถึกไปแล้วนะที่ยังที่จริงนั้นไอ้ชิ้นมากขนาดนั้นลําบากมันลำบากอีกอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยถามว่าตอนเราไปบวชเนี่ย แล้วคนที่มอบวชให้เรากับพระที่นั่งตอนนั้นแล้วนม่มีใครเป็ น, น, นรักบ้านหลักว่าถ้ามันนั่งที่พราดีนะไปดูเดดีกาเดีกาก็บอกว่าโอ้แล้วใครขาดจากความเป็นพระแต่ความสําคัญมั่นหมายของท่านว่าท่านอยู่เป็นสมมาณัฐอยู่ถึงแม้ว่าไปอยู่ในนั้นก็เชื่อว่าใช้ได้ก็ว่าพอไปดูเดดีกาแล้วก ค, วคว่อยๆคิดใหญ่หน่อยถ้าเราคิดไปมันก็สงสัยเรื่องวินัยเนีย่ย ข้าะการที่สี่อธิโมกขะพระหูราตาก็าอกมากไปด้วยความตัดสินใจเชื่อคือเป็นผู้มากด้วยสุดตาอันนี้ก็คือมันตอบถามในเรื่องที่ตนสงสัยในพระธรรมว่าหลักจากความหลังเลสงสัยอธิโมกเนี่ยมีความตั้งมั่นในอารมณ์ไม่เรรวนสงสัยนี้เป็ น, เ ป, นเป็นปฏิบักษ์่อวิจิตริชานะอธิโมกเจตดิดเนี่ย วิจิกิจฉา ย, ย่อมไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อเชื่อในวัตถุที่ควรเชื่อถ้าหากมีศรัทธามีความตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระรีสุกใช่ไหมถ้าตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยวิจิกิจฉาก็จะไม่เกิดแล้วแต่ถ้าหากเวลาใดนี่นะอศรัทธานี่มันย่อหย่อนวิติกิจฉาก็จะฟองขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มสงสยัยนะจะเป็นอย่างเนี้ธรรมชาติของมนุษย์ชนจะเป็นอย่างเงี้นะ ฉะนั้นอธิโมกนั้นยังเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพื่ อ, เ พ, อเพื่อทำสทัตยาที่สุดอุสรณ์ธรรมอื่นๆก็จะจะเลยงอกงามด้วยประการที่ห้ากัลยาณมิตรตาอยู่สําคัญนี่สก็คือว่ามีกัลยาณมิตรเขาบอกมีกัลยาณมิตรนับว่าเป็นเหตุที่สําคัญที่สุดในการอุบัติเกิดขึ้นของอุสรณ์ธรรมทั้งหลาย ศีนกุศลขมาที่กุศลปัญญากุศลเป็นต้นหลังเนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เนยถ้าไม่มีกะะัลยาณกัลยาณารรมนี้จะเป็นเหตุสำคัญเลยวันนี้อีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูว่อนานนเนี่ยความเป็นผู้มีดีมีสหายดีมีจิตน้องไปในคนที่ดีเนี่ยเป็นธรรมจันทร์ทั้งหมด ดูก่านานอนนะนนท์เนี่ยพิสูภู้มีนิดดีพึงปราถนาผู้มีนิดดี ม, ดดมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดีจักเจริญในอาริยามากมีองค์แดก็จะกระทําให้มากขึ้นอริยามากมีองค์แปดเป็นต้นฉะนั้นความมีนิดดีเป็นต้นเหล่านี้ยจะเป็นปัจจัยเกี่กับความเจริญงอกงามก็คือทำศีลสมาธิเป็นยา เ, นเป็นต้นให้ดําเนินไปได้ดี แลพุทธเจ้าก็ตรักบอกว่าพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็ก็จะพ้อมจับวัฏจุปแล้วประการที่6กก็คือสัตายาคาถาได้ฟังคาถาหรือถ่อยคามันเป็นที่สบายการเจราจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบายสบายในที่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกกับที่เหลนใช่ไหมเช่นว่าไปคุยเรื่องสนุกสนานเรื่อง ไปเที่ยวเรื่องดูหนังบุละครเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เรียกว่าสัตยยะรัาในที่นี้แต่สัตยยะรษ า, าในที่นี้หมายถึงการอาศัยกล่าวถึงคุณของพระาราชนาฏย์ไหรือพูดถึงในเรื่องของสัม ป, ปชัญญะบาปหรืออียาบทบาปนเนี่ยนะบอกเออสนทนากาันว่าในการยืนเดินนั่ง น, นอนเป็นต้นเลยเนี่ยเรจะเริ่มตีประกาศต่เป็นต้นหรือไม่อันนี้โมหะบุรุิกดวงอิน ส่วนโมหะมูละิดดวงที่สองดวงที่สองก็ไม่มีอะไรเป็นอุจจากสำเบยอดตังเนี่ยนะนี่เกิดขึ้นพร้อมด้วยอุจจารเนี่ยนะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหรือว่าดู ด, ดลูลักษณะของวิจิกิจชามีความสงสัยเป็นลักษณะในข้อแรกเนี่ยนะ สังสยะหนาลักษนามีความสงสัยเป็นลักษณาประการที่สองกรารมปัญาษามีความหวั่นไหวเป็นกิจส่วนประการที่สามก็คือมีการตัดสินใจไม่ได้มีการตัดสินใจไม่ได้หรือถือเอาอย่างเดียวไม่ได้เป็นอาการปรากฏเจรลัษณาของวิจิกิจชาจะเป็นอย่างนี้นะ เวลาตรวจขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอาอเอายัางไงกันแน่เนี่ยส่วนประการสุดท้ายก็คือว่ามีอโยนิโสมนัสิการเป็นเยู่กลงมีอโยนิโสมนัสิกามีเป็นเหตุเพินเ่นี่คือลักษณะของวิจิตรฉส่วนลักษณะของโมหะมูลจิตดวงที่สองเนี่ยนะ มีโมหะเจตสิกเนี่เป็นมูลเป็นประธานแล้วก็มีอุท ธ, ธาจักเจตสิก ค, คือความผู้สร้างเนี่ยเป็นสัมบุญธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมโดยกรณีเป็นพิเศษประการที่สามก็คือเป็นอุเบกขาสารรังคตะกิจ ค, คือเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวนนาประการที่สี่ก็คือว่ามีเจตสิก อ, อื่นๆมีอุปสรเจตสิก อ, อื่นเป็นต้นอลไรเนี้ยแล้วก็เป็นทั้งสองประการทั้งอาสังและสาวัง ในอุทธัจจะที่บอกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยอุทธัจจะเนี่ยเป็นชื่อของอุทธัจจเจตสิกเนี่ยลักษณะของเขาก็ถือว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความว่าซัดสายไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นในอะไรบอกไม่ตั้งมั่นในอารมณ์บอกอุทธัจจเนี่ยเกิดขึ้นในอุสรจิตทุกดวงไหมทุกดวงหรือไม่ทุกดวง ในโลพาก็มีอยู่แท้จริงในโทสก า, โาก็มีอยู่แท้จริในโมหะก็มีอยู่แท้จริแต่ว่าในเกิดอื่นๆเขาไม่ค่อยมีกำลังเป็นพิเศษเพราะถูกทำอื่นๆใช่ไหมถ้าไปเกิดร่วมโลพาก็มีโลพาเป็นเป็นหัวหน้าถ้าไปเกิดอยู่ในโทสาก็ชอานา แต่ว่าอุจาาในโมหะมุลยเจตดวงที่สองเนี่ยพอเขามาเกิดตรงนี้แล้วเขาเป็นใหญ่เลยมองเห็น ไ, ไหมว่าทั้งทั้งนี้เขาอยู่ในอัปสุรากิจทุกดวงนี่แหละแต่เวลาไปเกิอดอยู่ในโลภะโลภะก็ครอบ ง, งำํำไปอยู่ในโทสะโทสะก็ครอบ ง, งาแต่ถ้าเขามาอยู่ในโมหะมุลยเจตดวงแรกวิจิกิจฉาเ้าก็ครอบงาแต่ถ้าเขามาอยู่ในโมหะมุลยเจตดวงที่สองตอนเนี้ยเขาขึา้นมาเป็นใหญ่แล้ว ฉะนั้นลักษณะของอุทจ า, ารทรัพย์ยุตะกิจเนี่ยกิจที่สรัพย์ยุทธในอุทจารเนี่ยแม้ว่าสรัพยุทธธรรมอย่างอื่นมีโมหะเป็นต้นเนี่ยประกอบอยู่แต่หน้าที่ของสรัพยุทธรรมเหล่านั้นไม่มีกําลังเหมือนอุทจารในโมหะภริจดวงที่สองเนี่ยอุทจ า, าี์มีกําลังมากใช่ไหมฉะนั้นในลักษณะความซัดสายในความพาุ่งซาดเนี่ยเขาเป็นเพี้ยตรงเนี้เนี่ย เขาตบอกว่ามีความไม่เข้าไปสงบเนี่ยเป็นลักษณะเลยอวุปะสมมนาลัคนาก็แปลว่าถ้ามีความเข้าไปสงบไงกายะจะปัสติจิตจปัสติอันนี้เป็นความสงบใช่ไหมแต่ว่าอุทธจัจเนี่ยเขาจะขจัดเขาจะการพวกปสัสติเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นลักษณะของเขาคือต้องไม่สงบ เคยเคยเห็นนพุ้งมเคยพุ่งเองไหมมีความสุขไหมเวลาพุ้งเช่อันนะโอชาชายกใตอนเวลาพุ้งเนี่ยนะถามว่าเอ้งวันกลงคืนในไหนพุ้งมากกว่า ตอนไหนฟุ้งมากตอนั้นพวกเราเวลาเอาเวลาเปอนความฟุ้งเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆเวลาไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าฟุ้งยี้ดีนะก็หลายคนก็บอกถามทำไมเขา เราก็ไปกำหนดความุงเป็นอารมณ์ดีเราจริงๆเรื่อยากวันมีมีมียอมดมียอมมียอมูานี้ก่อนนึ่งน่นานแล้วมีหลายสิบปีคิดได้เลยจะเป็นอะไรจะเป็นั่งจะเป็นนั่งอยู่อยู่กระทะนะ แกแกก็มานั่งนั่งเล่าไปตามเลยบอกว่าวาแกไปนั่งที่ท่าพน้ำไงเอกวิจัยขอแกก็หล่นตกในน้ำน้ำตลอยแกพูดได้ห็นภาพเลยอย่างนี้โกงจะมีอะไรหรอก่โกงน น้ลักษณะของอุทนยาเนี่ยมีความไม่เข้าไปสงบนี่เป็นลักษณะปรการต่อมาจิตของเขาก็คือมีความไม่ตั้งมั่นเนร่ะพอไม่สงบแล้วเนี่ยลักษณะเป็นความไม่ตั้งมั่นเนี่ยแล้วก็มีความท่านไปเป็นอาการปรากฏคำว่าท่านในที่นั้นหมายว่ า, วารับอารมณ์ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ไปตามระดับนี่นะมันเหมือนว่า มันยับยังย้งไม่อยู่นะมันไปเรื่อยๆนยี้่แล้วก็มีอายโยนิโสเนี่ยแหละเป็นเสียงไกลคําว่ามีความไม่เข้าไปสงบเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนน้ําเมื่อถูกลมพัดเนี่ยมันก็จะเคลือบอยู่ตลอดเวลาเ ย, ย้ยลักษณะของ ม, มีความไม่ตั้งมั่นเหมือนอะไรเหมือนธงชัยเหมือนธงหรือมัอนธงที่ปักไว้ที่หัวเรือในกลางทะเล ลมมันก็พัดมันก็สั่นอยู่ตลอดเวลาส่วนคำมก็มีความท้านไปเห็นจิตเหมือนอะไรเหมือนกับขีเท้าที่มันฟุ้งขึ้นเพราะถูกแผ่นหินที่สร้างลงแบนหรือไม้กระดานไม้อะไรล้มคำมันก็ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอุทจจะมันฟุ้งอย่างนี้ นั้นบรพูดถึงในเรื่องของบุธจารเนี่ยหลายๆคนก็หลายๆท่านก็มีประสบการณ์เคยพูกันมาแล้วต่อไปก็คือว่าเออเจะล่อย่างไรอะไรต่ น, นี้ใช่ไห ม, ม, เ, ไนมเนี่ยอือคือคือจะไล่ย่งไรก็บอกไปลักตณะของความฟูมิลอธิบายไปแล้วสุส็นพระยากรณ์ไม่รู้จะลยงไรแล้ดวดูลักขณะที่จะตกก่าของโมหะคนนี้ ก็โมหะ ก, ก็ถือว่าอายานรกคโนมีความไม่รู้เป็นรักษะไม่รู้ในที่นั้นคือไม่รู้อะไรไม่รู้ในสัจจะสี่เป็นต้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ใ น, น, น, ไ, ม ไ, ไ, มในไม่รู้ในขันยัตนะข้าที่เป็นนาดีขันยัตนะข้าที่เป็นนาโคตเป็นต้นอะไรเนี่ยนะ แล้วก็มีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เนี่ยเป็นจิตลักษณะของโมหะเนี่ยทั้งสองประเภทนี้ยก็ปิดอารมณ์ไม่แทงตลอดอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเห็นเอาไปเห็นคนยากจนเนี่ยคนขอทานเดนินเดินมาพอาไปเห็นเนี่ยได้ความที่ว่าเราไม่ได้แยกแยะเบื้องต้นก็คือไม่ได้พิจารณากรรมและผลของกรรมตงนั้นเหล่านั้น บางทีก็เอ้ยลังเกียจเขาเขาบอกว่าถ้าที่ประเทศดนเดียเนี่ยคนก็จะดูถูกกันเยอะแยวันไนดะ้ถ้าคนวันน้าสู ง, สงวันว น, น้าพรามันน้ากระตักเขาจะดูถูกพวกจันทามถ้าเป็นเช้ามาเนี่ยก็เห็นจันทามเนี่ยก็จะตําหนิเขาจะดูถูกแล้วเขก็จะถึงข น, น, นาดต้องไปล้างตาบ้างจะ่ไหมไปล้างหน้าบ้างอะไรตา่างต่างแบบนี้ยแม้แต่ในในคำสอนนอกจากใน ในมาตัณง์่าใช่ไหมหรืวา่าเกิดเป็นเกิดเป็นจันทางเนที่ไปสั่นกระดิ่งยิ่งยิ่งยิ่ ง, งโอ้เป็นเหตทำให้เขาเห็นนางเลยไม่ยอม ไ, ไปเกี่ยวกับไปแจกกานหรือไปทำพิธี่ดีด่กลับทันทีเลยในโกรธไอพวกคนขี้เมาก็โกรธก็เลยพากันเด็กพกเกิดตายเนี่ยเอาไปทิ้งในกองขยะเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็คือเหตุเหตุแห่งการที่ว่าโมหะเนี่ยปกปิดสภาวะความจริงของอารมณ์นะ้คือถ้าหากว่าเขารู้จักํำสอนหรือว่าไม่มีโมหะปกปิดเนี่ยเขาไม่ได้ติพิจรารณาว่าเอ้อเห็นอะนนี้เป็นเห็นอภิมงคลกาไม่คิดอย่างนั้นเลยใหมแท้ที่จริงอะรูปสีที่เห็นเนี่ยมันเป็นทุกั์ศัตร เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ใช่ไหมแต่เขากลับไปทําลายหรือกลับไปรังเกียจกลับไปปฏิบัติหรือไปเว็บผลิตต่อสิ่งที่ตนเองเห็นเ้าเรียกวิบผลิตมนุตยิการก็คือไปไปคิดผิดไปเข้าใจผิดต่อสิ่งที่ตนเองเห็นเพราะสิ่งที่ตนเองเห็นเนี่ยถ้าเป็นทุกขักระเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรกำหนดรู้ ถ้าเป็นสมุทยยะสัจจาก็ควรควรละเนี่ยถ้าเป็นยิโรถ้าสัจจาก็ควรทาไม่แก้มถ้าเป็นมัสสัตถ์ก็ควรเยอะถ้าหากลักษณะของวิชาหรือเอาคือหรือปัญญาเนี่ยเขาไม่เว็บผลิตเขาจะไม่มีการปกปิดสภาวะของอารมณ์คือเขาจะแทนตลอดอารมณ์หรือว่าลักษณะอารมณ์นี้เป็นรูปหรือเป็นนามหรือเป็นสัจจะอะไรเนี่ยเขากาหนดรู้แล้วก็เขาจะปฏิบัติต่อต่อสิ่งนั้นถูก มีการทําให้มืดมนเป็นอาการปรากฏแล่นแหละอมหดเนี่ย น, น, นะเขาจะทํละาลักษณะของเ้าก็คือมีการทำอาการมืดมนเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีอายโยนิโส ổ, มรณาสิกานนั่นแหละเป็นเป็นเหตุแรกก็คือพิจารณาโดยอุบายที่ที่ไม่แยกขาดพิจารณาโดยอุบายอันไม่แยกขาดในสูตรหนึ่งนะ ดูดูในคำสอนในสูตรในในยกในพระสูตรมามาศึกษาแลสูตรเดี๋ยวก่อนจะถึงสูตรตรงนี้ไปทำความเข้าใจกันว่าอารทั้งโมหะเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตโมหะเน่ยท่านสอ น, นยังไงเพราะจิตที่มุมมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิต มีโมหะเนี่ยถ้าจะกําหนดเนี่ยจะกาหนดยังไงเรา่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่ามีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดในที้จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหมายความว่าจิตที่เกิดพร้อมไม่รู้จิตจิตช้าดวงหนึ่งกับจิตที่เกิดพร้อมไม่อุทจัก แต่เพราะโมหะเนี่ยย่อมเกิดได้ในอกุศลละกิจทั้งหมดฉะนั้นแม้อกุศลละกิจที่เหลือหมายถึงโมหะได้โทพศก็ควรนับว่าจิจที่มีโมหะด้วยเ อ, อื้อมกว้างขวางก็หมายความบอกว่าเวลาศึกษาเกี่ยวในเรื่องของโมหะกุศลกิจเนี่ยเนออโมหากิจที่มีโมหะเนี่ยก็รู้ชัดว่าจิจที่มีโมหะเนี่ย ถ้าพูดถึงในเรื่องของโมหะมูละจิตเนี่ยมันมีสองดวงคือเวทีกิจฉากับอุทธจักแต่ถ้าในอัจฉริยะของสติปัฏฐานเนี่ยนะในจิตตาทุกปัสนาเนี่ยท่านบอกว่าโลภะมูละจิตก็เชื่อว่ามีโมหะด้วยโทสะมูละจิตก็ชื่อว่ามีโมหะด้ว ย, ววยในที่นี้เห็นไหมว่าทั้งๆ ท, ท, ที่บอกว่าจิตตาทุกปัสนา แต่ท่านไม่ได้เน้นตรงที่จิตะจิตอย่างเดียวเวลาจะไปกำหนดหรือทำความรอบรู้จริงๆเนะี่ยต้องไปทำความรอบรู้ในธรรมะที่เกิดร่วมกันกบจิตมาด้ิแล้วจริงๆก็ไม่ใช่แค่นั้นนะใช่ไหมว่าจิตนั้นนะ่ะมีอารมณ์อะไรก็ต้องไปใส่ใจในอารมณ์นั้นด้วย เพราะว่าจิตเนี่ยจะปราศจากอารมณ์ไม่ได้ต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยยึดตนที่ได้เกิดก็หมายความว่าเวลาจิตจะเกิดขึ้นนั้นจิตนั้นจะต้องมีอารมณ์ใช่ไหมบางครั้งก็ปารลบรูปารม์บ้างศัทธารมณบ้างคันธารมณ์บ้างรัทธารมบูธารารมอยู่ธรรมารมฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยอุปการะหรือเป็นอารมณนาปัจจัยแก่โมหะเนี่ยทั้งวิญญาณฉาและอุทจจ์เนี่ย อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องไปรู้เหตุรู้ปัจจัยของอารมณ์เหล่านั้นด้วยถึงบอกว่าพอพูดถึงโมหะจิตเนี่ยเวลาจะทําความเข้าใจก็จะต้องไปศึกษาเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับมเพราะว่าโดยลองพังจิตอย่างเดียวเนี่ยมันจะเข้าถึงความเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้ใช่ไหม มันก็จะต้องอาศัยกลุ่มเจตสิกทั้งหลายมีโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกแล้วก็บูหัดเจตสิกสรุปก็คือว่าไป ท, าทาําความเข้าใจรากรากเน่าของเขาเพราะไอ้ตัวรากเน่าของเขาเนล่ ท, ที่ที่สำคัญสําคัญก็คือว่าเขามีความสําคัญในการที่จะทําให้สภาวะจิตนั้นนเข้าถึงความชัดเจนแล้วก็เข้าถึงความเป็นธรรมเป็นต้นเหล่านี้ได้หรือไม่ ในอกูสุลและสูตรว่าด้วยเหตุให้ตกนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์บอกว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลประกอบได้ทำสามประการนะย่อบุบัตดขึ้นในนรกเหมือนถูกนําตัวไปเก็บไว้ฉะนั้นทำสามประการคืออะไรบ้างคือกายกรรมเป็นอกุศุลวิจีกรรมเป็นอกุศุลมนโนกรรมเป็นอกุศล บุคคลประกอบได้ทำสามประการนี้แหละพิสูจทั้งหลายย่อมบูบาทในรบเหมือนถูกนําไปเก็บไว้ใช่ไหมแต่ถ้าอีกตรงกันข้ามแหละดูตอนพิสูจทั้งหลายบุคคลประกอบได้ทำสามประการย่อมบูบัตทในสวัสด์เหมือนเขาเชิญตัวไปเก็บไว้ใช่ไนะหมเดยถาไปสวัสด์นี่เขาเขาเชิญนะ ไ, ไม่ได้ถูกนําตัว แม่ถ้าหากใกล้ใกล้กลจะตายแล้วถ้ามีถ้ามีคนล่างดำๆใหญ่ๆมายืนคอยอยู่อนี้ถ้าจะใจไม่ก็ยดีจะทวงยังไง บอกเอาเรียนก็ฟังธรรมะทุกสาวาทิจนั่นทำไมท่านเป็นอย่างนี้ไปได้ใช่ไหมวงเลยเนี่ยพระโอชาเรียนทั้งสาวทั้งอาเทียนทไมท่านเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็เรียกวงเลยบอกว่ามารับคนผิดหรือเปล่า แต่ม น, นี้คนเล่าให้ใ ห, ให้ให้อาจารย์ฟังให้ธารมาฟังว่าเวลาเขามาจริงๆเขาไม่ให้พูดเลยู <c oughs> ขนาดบอกว่าจะไปบอกเมียและลูกก่อนเขาบอกไม่ต้องแน้วเบอกไม่ต้องเขาหมดค่าเลยะะแสดงว่าต่อรองไม่ได้จร <c oughs> ิงๆได้ยัง้งแล้วก็ลงบากัลยเนี่ยคือคือมีโยมกนหนึ่งเนะีย แค่มานั่งเล่าเอัเคยเล่าไปแล้วแค่นี่อยู่วันหนึ่งก็นั่งขับมอไซค์มาโเคอะไรนะแค่ก็มานั่งเองฟังโอ้โหเกือบเกือบแย่เลยวันไม่รู้เป็นไงที่ว่าทัวรนั้นเก็ตเตียมมากกลับจากกลับจาสอนนังตื่นแก่แกเป็นคนเขียนในไอ้แกเป็นคนสอนบาลีด้วยนะ และตำราแอเขียนอธิบายภาษาบาีนี่แกเขียนแล้วคนเอาไปเรียนยังเยอะโยคนเนี้ยด้เก่งขนาดดั้นนเป็นเป็นมหาบรียวแกก็มั่นใจว่าแกก็ทำบุญเย่มงที่อย่างนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงพอแกนอนนั่นแกอ่อนเพลียก็้นอนพ็นอนลงปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งไงมีสามคนมายืน มายืนพ อ, อยืนก็ตกใจตัวอีกคนหนึ่งอีกสองคนอ่ะช่วยกันจับจับที่แขนเนี่ยจับแกยกขึ้นแกก็ดินด้นแกดิ้นแกก็ไม่มีแรงสู้ก็เลยว่างั้นนะไม่มีแรงจะสู้ก็เลยแล้วก็แกก็ถามว่าอย่าเพิ่งเอาแกไปเนี่ยแกบอกขอไปบอกเมียจะไปบอกลาเมียและลูกตอนอีกคนนึงก็บอกไม่ต้อง ในขนาดนั้นแกก็เหลียวดูตัวแกเจ้าพวกแกตกใจใจแทบขาดเลยว่ามันไม่ใช่ร่างของแกเนี่ยมันกลายเป็นกระดูกไ ป, ปหมดเลยว่ามั้นเป็นกระดูกแบบโปรงแสงเนีลยนะแกก็ไม่เคยเห็นเลยแล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เยาว์วัยเพียศเลยนะไม่มีอะไรเป็นแต่กระดูกไ ป, ปหมดนี่เธอรู้ว่าเป็นผู้ชายว่าตัวแกไอ้แกไม่เป็นอย่างเนี้โผล่แกบอกว่าแกเหลียวใจ แคถูกลากเแปลกมากทำไมจะเป็นกันฮะตอนนั้นน่ะแกก็นึกว่าแกตายไปแล้วไงแล้วก็กะลากแกไปแกก็มองหาคนเห็นคนตามถนนเต็มไปหมดเลยพยายามจะหาว่าแกรู้จักใครไหมไหนแกไม่ได้บอกแกก็ตะโกนบอกวันนั้นบอกวันนี้มีใครได้ยินแกอะไรก็ ไมมีใครได้ยิ น, นยังไงก็แล้วก็ไปก็บอกไปเห็นพลาดเนี่ยใจที่แกจะคิดเพื่อจะไหว้พระท่าก็คิดไม่ออกไม่เคยว้เลยใมแค่บอกคิดไม่ออกระหว่างนั้นดูดิแกมองเห็นเนี่ยแค่จะจะคิดเพื่อจะไหว้กันมึกไม่ออกคือมันไม่เหมือนกับเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนั่นดูว่า มันเหมือนว่าสมองความจําและความคิดของเรามั น, ม, นมีแต่ความกลัวอยู่ในสมองอยูยว่างั้นนะมีแต่ความกลัวนะเพื่อเป็นเรื่องที่เล่ามามันก็น่าคิดเนี่ยแต่ว่าจะเป็นยังไงเราไม่ทราบนะนีนน่นี่พอต่อมาก็ไปผ่านแกก็นึกถึงได้ว่าที่วัดนั้นนะหลวงพ่อที่วัดนั้นน่ะแกช่วยสอนหนังสือพี่นั่น แกก็นึกว่าแกได้เลยขอเลยว่าขอไปพบหลวงพ่อเขา อ, อ, อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องนี่ก็ดึงเขา่าไปเลยโหยผ่านเขาสองสามลูกไปเจอภูเขาสางสามลูกเลยติดกันนี้แล้วก็มีไฟโผตรงกรันงแกนั่ดึงดึงแกไปเลยขึ้นไปบนยอดเขาเขาไม่พูดอะไรแกมองไปข้างบนเนี่ย ที่เห็นรูปร่างอย่างแกเนี่ยเยอะเลยลอยมาทีละห้าทีละสิบตัวนะมันลอยลอยอย่างเร็วแล้วหมุนหมุนลงไปในใมในอกเขาในเ็วพอพอสามคนนี่เนะียตัวใหญ่ๆหเนะี่ยปล่อยป่อ ย, ป ล, อยปล่อยแกตัวแกก็ลอยขึ้นไปแกก็แปลกมันไม่ไวเหมือนคนอื่นเขาแกก็ค่อยตีรังกาหมุนไป พอมันทํำท่าจะดูดลงไปในไปนั่นแหละแกได้ยินเสียงท้าเรียกใชว่างั้นทาเนียกชื่อแกพอเรียกพุกเนี่ยแกก็ไปเกาะไอ้ไอ้ตรงตรงันหนังไอ้ขอบอย่นี้นะขอบเขาอย่างเงี้ยขอบหิวเนี้ยแกก็ไปเกาะ อ, อยู่พอไปเกาะ อ, อยู่เนี่ยแกก็กลัวใช่ไหมแกก็เหลวเหลวขึ้นไปข้างบนเนี่ยมาเป็นสิบเป็นยี่สิบเลยอะที่มันไหลลงไปอ่ะไหลเป็นแถวเลยวะแค่นั้น ทั้งหญงชายงดูรู้เลยว่าไงทีนี้แกกลัวจะไม่รู้ใกตัวยังไงแกว่าในชีวิตเดียวผมไม่เคยตัวขนาดนี้เลยนั้นแกเล่าอย่างนี้นะแกก็อยากทีทนี้เสียงมันร้องข้างล่างเนี่ยเสียงวีว๋ ว, วแกก็ก้มลงไปดูอ่ะแกกโอ้โหไฟลุกท่วมชูมือกันตลอดอยู่นั่น <c oughs> ชูมือกันตลอดอยู่นั่นเลย แกไม่แกไม่เคยเห็นภาพวกนี้เแล้วต่อมาแกถ้าเกาะอยู่อย่างนั้นแ่ะจนจนเรื่องมีคนมาเรียกเรียกมีเหมือนเสือนพระเรียกแกด้วยพอรู้สึกตัวขึ้นมาใน่ยแกนค่ น, นอนร้องไห้เลยด้วยชั่วโมงนึ้งก็ยังลุกไม่ได้ตัวแกแข็งแล้วก็เย็นหมดเลยต้องผ่านไปทั้งสองชั่วโมงพอลุกได้แกก็ไปหาถาม ไปหาถามข้าวแม่ข้าวอุปาัมภ์้าเราก็กล่องแกก็นึกถึงก็นึกถึงอยู่วันนึงขับรถมาแล้วเราก็บอกเฮอย่างนี้มันมันเหมือนทุกคตินิมิตใช่ไหมก็บอกให้ตามคําสอนอย่างนี้มันเป็นทุกคตินิมิตให้อยอมก็บอกแบบเป็นทุกคตินิมิตให้ตาตายนยอมเรียบร้อยไปแล้วผมก็จะบอกวผมจะทํำยังไงดีโอโยมต้อง เ, องเร่งยนอะไรดูสนแต่มันทําที่แก่เล่าเนี่ย มันเตือนเราแลนมากเลยนะถ้าใครไปเจอแบบนี้ก็มาเล่าสู่กันฟ well. mm ังมั้เลยจะเขียนเลยต่อมาจะเขียนหนังสืออะไรหละเขียนยังยังอ่าน อ้เือญาณด้ยมันมาคุ ย, ยได้ยานเลยนะเคยได้เจอตั่ดือเดียวนี้เดียวนี้แกแกทบุญทุกวันเลยไม่มีวันหยแพตายแกทุกอย่างแกทหมดเลยยังไงแกทของของอะไรแกเอาบวชทบุญอย ถามแค่บอกว่าเชื่อเรื่องอะไรนี้โอ้โหแกบอกยิ่งตัเชื่ออะไรเดี๋ยวนี้เขามั่นใจเลยเดี๋นี้ทําหมดเวลาตายทับไป